ไปจนขาขาดกั่ยังได้มันคิดตัวเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันอยู่ละไปมันโอ้ไปอะไรก็ไปก็ไปดูคนอย่างเก่านั่นแหละอันนี้ก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ใจมันโลดเต้นหอวโหยหนอยากจะไปนู้นอยากจะไปนี่ต้องเบรกตัวเองไปอะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันต้องมีคุณประโยชน์ซะก่อนยังค่อยเดินยังค่อยไป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 เลิดประเสริฐแต่พวกเราก็ฝึกหัดอถึงจะไม่เลิดประเสริฐขนาดนั้นก็ฝึกหัดมันกัดกลองไตตรองมันพิจารณาหาเหตุและผลดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจในที่สุดเราก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งใจแปล ว, ว่าไม่เที่ยงเป็นอ น, ในจิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายนั่นแหละ